2สิงหาคม2561 61ซึ่ ง, งกับวันแมหม่ชัดด้วยเนี่ยทีนี้ในการที่จะกล่าวถึงเรื่องการถวายชัดเนี่ยทำให้นึกถึงพระเิลาในสมัยคำวัติกาเนี่ยหลายรูปที่ได้เคยทํำชัดถวายเป็นพุทธบูชาแี่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเป็นตนมาเนี่รูปแรกก็คือท่นานพระสารีบุตรเทรนั่ก็เคยทํำชัดดอกไม้ถวายเป็นพุทบูชารูปที่ส สมาดีอาโนมัทสีสัมมาสบริชา ของสูงชัดหรือร่มเนี่ยเป็นของสูงการที่เราจะทํำถวายเป็นพุทธบูชาแบบกวัณฑชาเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็คือต้องทําความเข้าใจให้ชัดก็คือตัวฉัดนั้นทำถวายเป็นพุทธบูชาได้ด้วยไหมได้ตัวชนันเป็นอภิสบูชาที่เราไม่ได้ถวายชัดอย่างที่เราเรายังทำดอกไม้ของหอมแล้วก็ทำผ้าห่มในการหอมพระเจดีที่พระธาตุเจดียว สร้างหลายยุจะบอกว่ายุคก่อนเมืองเชียงรายก่อนที่จะตัง้งเมืองเชียงรายจะสำไปแต่ถ้าซประวัติมาก็นั่นแหละในยุคของพระเจ้าเมืงายมาลาก็คือหานนั่นเองเป็นผู้ได้มาสร้างอันนั้นอันนั้นซื้อมาชุบชุดหลกอลนนะ่กอนหน้านั้นกน That's why you. ศา ส, สนาทีนี้การที่เราได้น้อมนำในการที่จะทําชัดถวายเป็นพุทธบูชาเนี่ยเราปรารถนาอะไรปรารถนาที่จะเข้าถึงโลกุตตระธรรมโดยชัดเองเป็นอมิสบูชาถ้าเป็นอมิสบูชาดอกไม้ของหอมเป็นต้นเป็นอมิอมิสบูชาฉะนั้นกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมทั้งหลายที่เราน้อมนําในการถวายบูชานั้นเป็นอามิสบูชาแต่สิ่งที่สําคัญกว่าอมิสบูชาคืออะไร เจะตนาที่คิดจะนอกนอ้อมเจตนาที่คิดจะบูชาที่สําคัญที่สุดเจตนาที่เป็นไปกับกุศลคำเรียกว่าปกภัยเจตนาคือเจตนาที่เกิดก่อนเราเริ่มคิดจการที่จะบูชาเนี่ยเราเริ่มคิดมานานแล้วตั้งแต่ไปกราบไปว้พระธาตุนี่แล้วตอไปไหพระพทุทธสิงสิ่งหนึ่งเนี่ยเขาเห็นว่าไม่มีฉั ด, ดก็เลยกลับมาว่า เป็นบุญยลาพระโลนี่เราปราณาอยากจะสร้างฉัดเนี่ยถาวายเป็นพฏิบูชาก็เลยติดต่อประสาน ง, งานกับทางวัดสัญญาวัดก็ตกลงบอกว่าได้เลยอ น, นั้นเป็นปกปัจจตนาแล้วเราก็เริ่มในการที่จะสร้างปกปัเจตนาคือเจตนาที่เกิดขอนี่เป็ น, ก, นกับกุศลฉะนั้นปกปัเจตนาที่มีการเรียบเรียงร้อยในการด้วยศรัทธาโดยความตั้งมัน่นที่ไม่นหนึ่งปกปัจจันาที่เป็นบริสศรัทธาคือความเชื่อมัน่น ใน ป, ป, ญญปัจจุบันญาณของเรามาสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนั้นเป็นเจตนาที่เกิดขอดรวมกับศรัทธาไม่ใช่แค่ศรัทธาอย่างเดียวก็ยังมีทั้งบิริยะสติสมาธิโดยเฉพาะปัญญาเป็นต้นด้วยแล้วก็ประกอบทั้งยินสี่ห้าราหานะั่นแหให้เกิดขึ้นในกระแสชีวิตของเราทัท้งท้งหลายสิ่งต่างๆตร ง, งนันเป็นอะไรเป็นภพภัจเจตนาที่พยายามผักการนี้เกิดขึ้นกระแสกุศลเจตนาะ ให้ศัทธามีความเชื่อมั่นมีกำลังในความเพียรความกล้ากล้าไม่ท้อถอยในการที่จะกระทให้มีสติกำกับอยู่กับตัวให้มีสมาธิคือความตั้งมั่นอย่างจิตและก็มีปัญญาคือความรู้ความเข้าใจว่าจะทําอย่างไรเนาในการที่จะถวายเป็นเพื่าบูชาให้สมพระเกียรติให้ดีที่สุดกับพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าที่เราจะถวายบูชาพระปัญญาคนกับบริจา้าีคเป็นต้นแล้วก็จะบูชาพระบริสุทธิคุณพระมหากรุณาธิคุณเป็นที่เรียกล่างนี้เป็นต้นแนละนั้นเป็นภพกิจตนา และในที่สุดเราก็ทำปุพะเจตนามาเรื่อยทุกวันทุกเวลาและในสุดมาถึงวันที่สิบสองเริ่มตั้แตแ่มีการกรา ว, วายเป็นต้นอันนั้นเป็นมุนจากเจตนาคือเจตนาที่ทำให้เกิดขึ้นจริงตอนนั้นเกิดศรัทธาความเชื่อมันไั่ไหวในคุณของพระบุทธเจ้าในคุณก็ไวทํามในคุณก็ไปยังทรงเป็นต้นนั้นเป็นมุนจักเจตนาก็ทำปรามวีปีปัปสติสุขและสมาธิต่างขึ้นในกระแสของความคิด แล้วหลังจากำทำกิจกรรมในการบูชาเสร็จหลังจากนั้นถวายเสร็จเรียบร้อยแล้วถวายได้สูงอยู่บริจาเป็นระมกเรียบร้อยแล้ ว, ว, น, ลวนักแต่วินาทีถวายจบปกก็กลายเป็นอ ป, ปรราชีธนะแล้วก็โหร ที่สิสารภาพกรบทดเนี่ยตรวจ ด, ดูลักษณะเมื่อไปเห็นพระบุริจเจ้าอะไรนะนนั้งปริบูรณ์ด้มาบริสรานาพาเห็นพวกเนี่ยทําไม่ต้องพูเลยว่าทนคนนี้เป็นปร บ, รบรีเจ้าการที่ทันศึกษาทั้งลักษณะสูตรลักษณะสูตรมาอย่างดีเนี่ยารู้เห็นฟังก็บ า, บาท้านก็รู้แล้วเห็นลักษณะจมาแั่ก็รู้ว่าทัานนี้เป็นใครไปไม่ได้นอกจากท่าสัมมาสมา ร, มริเจา้า เมื่อท่านคิดอย่งนั้นเม่เสร็จป๊บท่านจจัดการปักกวาสถานที่ตอนรักแล้วก็บูชาด้วยดอกม้แต่ดอกแล้วก็ทูลชมเชยสลสรสรญพยานของพระสมมาสมุนีเจ้าอันนี้เป็นทำไวภาษาเรียกว่าจุนได้ฐานะแห่งพยาน ป, านปานัญญา็พะท่านชื่นชมพยานของพระเจ้าโดยใจความท่งกบอกว่าข้าแต่พระสยมภูผู้เป็นแดงเกวดแทนพระคุณ น, นะครับประมาณไม่ได้สมัยกลาวว่าพระเจ้าไ่เป็นการเกิแทง ถ้า ส, สั่งคุณติยานันนวันนั้นยานินทรีย์พระโอ p ติยานมาครูนาสมปรติยานิมาตรปฏิยานยานแล้วสยานุสยายานเป็นต้นขอองจงรื้อถอนสัตว์โลกนี้และสัตวโลกเหล่านั้นอาศัยได้เห็นพระพุทธเจ้าแล้วย่อมเข้าถึงกระแสคือความสิ่งความสงสัยเสียได้ก็คือว่าสัตว์โลกทั้งหลายเ่ได้เห็นพระพุทธเจ้าด้วยความพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วสามารถ วิจิตรช่าคือความรังเลสงสัยในเกระแใจเสดายข้าแต่พัทยังโผู้อาภผูผ้มีคุณนะนะประมาทไม่ได้พระองค์ทรงเป็นตบ ร, รมัสสดาเป็นยอดเป็นของใัยเวลาเป็นที่อาศัยเป็นที่พึ่งพิงเป็นสรรานานสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายเป็นตัวพระเจ้าของสัตว์ท้งหลายเป็นต้นนา้าในมหาสมุทอาจจะมาประมาณรืวัดตรงได้แต่ใครๆไม่อาจจะประมาณวัดพระสัพพัญญตยานของพระเจ้าได้เลย แผนดินในพื้นแผ่นินในโลกนี้แม้ในที่อื่นๆบุตรนั้นสามารถที่จะชั่งตวงดูได้ว่ามีประมาณเท่าไหร่แต่บุคคลไม่สามารถที่จะประมาณพระสัพพายตยานก็งพระสัมาสัมพุทธเจ้าได้เลยเป็นตน้นบุคคลอาจจะวัดอากาศได้ด้วยเชือกหรือเยื่มือ่อทำโนลอากาศได้ว่ามีประมาณเท่าไหร่เป็นตน้นแต่บุคคลไม่อาจจะประมาณพระสัพพายตยานอนาวรณาญาณอินทรียาภโรภริยตยานมหาตรุ ปฏิญาณยมกถาปริญาญาและอ า, ยายอสันุสัญญาของ菩萨มาสัุริจาได้เลยบุคคลอาจจะประมาณน้ำในมหาสมุทรและแผ่นดินทั้งหมดได้แต่จะถืออภรตญาณ น, นั้นไม่สามารถที่ท่างทั้งหลายลบุคคลอาจจะไม่ไม่สามารถที่จะประมาณขยานของป菩萨มาสัุริจาเป็นต้นเช่นนี้เป็นต้นฉะนั้นสมยนสัยนั้น菩萨มาสบับริจารเนี่ย ตานโนมาทัสสีสัมมาสมัปราชาตเนตัสรูปันเกิดขึ้นแล้วเนยในโลกต้องมีอาัคารสาวกคือพระนิสส า, า, นะาตีรานาโนมาทะาโนมาเทราในการนั้นพระุเจ้ามีรัชนมยุท์หนึ่งแสนปีสูงห8สศอกพระสมีแขกไป12อโยชนีภิกซูสงเป็นบริวารหนึ่งแสนรูปวันหนึ่งในเวลาใก ล, ล้รุ่งพระพเจ้าตรวจดูสัตว์โลกทรงเห็งสรารธาตุดวดเข้ามาในขายพยาน พระทงดำริว่าถ้าเอาไปหาสาระตาดาบทวันนี้จะเกิดกระรมทิสนาใหญ่และดาวบทนั้นจะปราถนาตำแหน่งอาคฆาส า, าวกที่หนึ่งส่วนสรีวัฒนาสาหายของส า, ายนั้นจะปราถนาอาฆาสาวกที่สองฉดินบริวารของสาหายเนี่ยเจ็ดหมื่นสี่พันคนของเขาจะบาดูพระานเราควรอยู่ไปในที่นั้นคือพระพ ร, ระมาสซรรามเมื่อตรุษเข้ามา ถึงสี่วัฒน า, าและตลอดถึงบริวารจดหมืนสี่พันของสราทาดาบดเข้ามาในขายพยานจะได้รู้พระพองค์พระรงคงช้าพระเจ้าก็ส่งถึงปาและจีวรเขาจะจะไดออกไปเคมลมลำทางพระองค์เดียวเนีถึงบริเวณที่อยู่ของดาบดเนื้อราที่บูสิคของสาราทาดาบดออกไปหาผลไม้ส่องอธิษฐานในพยานขอให้ดาบทรู้ว่าพระองค์เป็นพระเจ้าอิทนสราทาาบดนั้น เห็นการสเสด็จมาทางอากาศนั้นพระบริจาคเสด็จลงจากอากาศกระทั้บยนบนผื้นแผ่นดินาวเห็นอายุภาพและพัสริกรงหมดงามแล้วจึงได้พิจารณาลักษณะต่างๆตามมนุษยนตะลึงเรียนมาอย่างดีแล้วก็รู้ว่าธรรมดาวคู่ประกอบไปด้วยมห า, าคุณริสรักนาเราหากอยู่ของรื่อก็ต้องกระตุ้นประจัก I k If I did. ของจุมาพร้อมครับพิกสุส่งหนึ่งแสนลูกพ ร, ร, ร, ระคณะสาวกทั้สองรูง้ด้วยรู้พระดำรีของพระสัมมาสัมพุจามีพระรามหนึ่งแสนลูกป สัริสมมาสับรจาในขณะนั้นริสมมาสังบริจากับขายญี่ปุั้มาก s u r p r i s ยิ่งในแสนตับเนี่ยจะไม่ลงทุกข์ทเลยจะไม่ไปทุกขิเลยเพราะงั้นจะไปทุกขติแล้วก็บอกว่าท่านวนนี้ท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏ สุดไม่ได้ด เป็นด่านนอกประเทศล้ พรสารีบุตรหลังจากที่ว่าธรรมะเทศน์อวิีสารีบุตรในหรังจากที่ทใหนได้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วก็ประกาศศาสนาของพระพุทเจ้าให้สว่างลงเรื่องประดุลดวงประทีบแล้วและทระนก็อยู่ต่อมาจนท่านจะสินอโยุขอีกมีวันหนึ่งท่านก็ทำวัดพระพุทเจ้าแล้วท่านก็เข้าสู่ที่พกรรมวันและเหาอันเทวาสิหรือลูกศิษย์ของท่น ก็ทำว่าให้ท่านในพระเชตวันแล้วก็กลับไปแล้วท่านก็ปัดกวาที่พักกางวันผู้แผ่นนังร้างเท้านังคัศมาธิแล้วก็เข้าพระสมา์บาิท่านท่านออกจากพราสมณ์บาปารกำหนดแล้วก็เกิดผลรีบกบอกว่าพระพุทธเจ้าทังหายเนี่ยในการก่อนพระทวิญญาณในอดีตนาคดทุกตระลึกไปในอีตว่าพระพุทธเจ้าในการก่อนกับอัครสาวกเนี่ยใครน้อที่จะปพริพานก่อ ก็รู้ว่าอัครสาวกเนี่ยต้องปรินิพานก่อนตัวเองท่านก็ตรวจดวูอายุขยของท่านก็รู้ว่าอายุขัยของตนเองเนี่ยเป็นไปได้เพียงเจวันเท่านั้นทังหมดแต่การที่ท่านจะอธิฐานอยู่ท่านทําได้อยู่แล้วแต่กําลังลิษแต่ท่านบอกอายุของท่านจะหมดภายในเจวันเท่านั้นก็ทํางรว่าเราจะปรินิพานที่ไหนนอก็คิดดูอยู่ว่าท่นานรอาวเนี่ยฝรินิพานที่เดวดึง ทันปัญญาคนท่นญาปริญิาานีิ่สาชัดทันคืเล่าลกันว่าและเราจะปรินิพานทีดีไหนก็เกิดสติ ทิพหาริขราารกของเราห0 0ร้อยโรของเราก็อาวุโเอาโุอาโสทั้งหลายท่านจงถื อ, อป่าใจจีวรและทมเสนาวดีสารีบุตรมางคงจะไปนารันค า, ามไปนารันทาถ้าทีรัได้ทำอย่างนั้นแล้วิกษุทั้งหลาจเก็บเสนาสนะ พระเจ้าเลยครับเอาให้บังคม a n d o oh, เพราะฉะนั้นพระบเจ้าไม่ตรัสทั้งสองประการนั้นได้เห็นท่านบุตรเจ้าจึงตรัสถามมาสาริบุตรเธอจะปริบิติพานที่ัหนเมื่อท่านจราบข่าว่าห้องน้อยในนารันทาคามแฟามาคดไม่อยู่ข้าพรองค์จกปริบัิภานในห้องนั้นไปเจ้าค่ะข้าระองค์จิงตส่าสาบุตร สำคัญการเป็นคนเถิดกเวลานี้เป็นการเห็นภิกษูเช่นเธอสำหรับภิก said okay. ครังสุดท้ายยังไม่มีการชิงโต๊ะอีก สัมมาสัมพุทธเจ้ า, า, าพระพิฆาตมโนรถของท่นเต็ม บอกไบอกทาชาตุบอกว่ามาอะไรเรว ร, ระาพระพลาด้วยาก็บอกว่าไม่เรามีคนดูแลอยู่แลก็ลไล่สับถ้าสะาัะเป็นท้าสกาเข้ามาคืสว่างรุ่งเรืองอยู่พอประมาณ ต, ตอนตะไครไจะเทียงทนก็บอกว่าอ้เท้าสกาัดเข้าไปพอตอนหลังจกักเที่ยงคืนเลยถ้ามาร้มามาโหวสว่างรเลายอง่ก็ไล่จัไปน่แมที่้มา มาถมราะว่าตอนหมดคำนะใครมาตอนดกๆนอนใครมาตอนเทียงคืนไปแล้วใครมาระษาที่บุตรก็บอกว่าข่าวชาตุง ม, มาข้าวสักขามาท้ามาบรมมาแม่ก็บอกโอ้โหลกยิ่งใจกว่าเดิมแล้วพระเจ้าจะยิ่งใจขนาดไห น, นี่เป็นต้นแต่ต้องิ่งไปบอกว่ า, วาตอนเทียงคืนไปแล้วนใครบอกว่านั่นแหละบอกว่าพรอบของแม่อาจารย์ของแม่นี่โอ้โหตกใจพิจิตรเองนับถือพ่ารูใช่ม อย่างนี้เป็นต้นและในที่ตัวจริงๆพอใจของแม่เกิดความลืมใส่เนี่ยท่านก็แสดงพุทธคุณสถาเมื่อแสดงพุทคุณตระารจบแล้วเนี่ยแม่เราเกิล้าหมดวิติและท่านก็แสดงจบลงเรียบร้อยสักแม่ก็ได้ไปรู้เป็นประสบ์แล้วต่อมาพอเห็นว่าแม่บรรูุแล้วท่านก็บอกให้แม่ออกไปแล้วก็หยุดระชุมทสุสา Mix so, it ก็ยาวก็ร้องไหยก็สบยืนอยู่ใช่รัแม่ไม่เห็นคนของพ่อแม่ไม่เห็นคนของพ่อนวันวต่อมาก็เลยถอดประชุงเพิ่งท่านที่นาราธาที่เราเคยไปกันมาคนนี้ชี้เห็นว่าอยากจะชี้ให้เราเห็นว่าอริสุงที่ท่านเคยถวายอาสนะ บูชาเป็นนมิสบูชาแต่ตัวจะบูชาที่แท้จริงนั้นคือเจตนาที่กิจบูชาตัวศรัทธาตัววิริยะสติสมาธิหรือปัญญาหรือคุณธรรมทัม้งหลายที่จะเป็นสิลสมาธิปัญญาได้ๆที่เกิดขึ้นในสภาพจิตใจที่เป็นไปด้วยความปราโมทปิติประสิทิสุขและสมาธิด้วยความตั้งมั่นอย่างฟิตและกัปัญญาอิจฉารู้ในคนของวิเจ้าให้ตั้งเจตนาว่า ้วยการที่เรานำฉักน uh? ี at, hmm. ้ถวายเป็นพุทธบูชาเลยพระเจ้าเราถวายบูชาบูชาพระปัญญาคณอะไรคือประปัญญาคนของพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นกสษาอินเยตยานขยานที่ทั้งตลอดโลกธาตุทั้งสิ้นอนาวัรณยานอินทรีย์ปรลบุญยานมหากรูณาสมาปฏิยัญยามากาปิหาริยานและอาสยามฤทธิยานอานสัจระยานหกพุทธยานสิบสี่เวนิขกรรมสิบแปดคำวาสัมมาสัญญาก็คปัญญายานของพระเจ้า เทีวน้อมถวายเป็นบูชาจริงๆก็คือความเชื่อมั่นก็ดีศรัทธาก็ดีความเพียรความเข้าใจสติที่ ร, ระดลึกถึงปัญญาคนของพระพุทธเจ้าสมาธิคือความตั้งมั่นใน ป, ปัญญาคนพระพุทธเจ้าและปัญญาที่รู้และเข้าใจในการระลึกบูชาปัญญาของท่านในการที่เรานำสการะทั้งหลายบูชา ป, ปัญญาคนของพระพุทธเจ้าในครั้งนี้และในครั้งต่อๆไปในอดีปัจจุบันและอนา ก, ก็จะทําำต่อเนื่องต่อไป ขอให้ขาพเจ้ามีส่วนในการเข้าถึงพักปัญญาญาณของบุรีจาร่าด้วยเมื่อเราเข้าถึงพักปัญญาญาเหล่านั้นเราก็จะได้พักได้ ป, ปัญญาเหล่านั้นมาแทางตลอดเรีสัตว์เราจะได้ผลจากกิเลสะของทุการายบริการที่เราใช้ฉับถวายเป็นพทบูชาใช้คุณธรรมต่ายๆที่มีในใจมีศรัทธาเป็นพจ น, น น, อน้อมถวายพระบริสุทธิคุณของบรุรเจ้าซึ่งบุรีจ่าบริสุทธิ์จากกิเลสราคะโธสามโมหะมานะทิฏฐิวิจิกิชาอิริการด้วยตภาวัตจัก ไมว่าจะเป็นายุจริจุจิมโริตัสินกมสันตาิกนาเจ้าเป็นสธิสารมีกิเลเป็นเพียังตอยู่เลไม่นยเป็นสาธิสามใชันในการเรีนต่ชัสัการะเครอูชาวพริสิุ เาไานเข้าถึงความราู้สึกหมด a c u l จะช่วยได้ต้อิงงสู่พ้องแ está b i e